พระเป็นเนรกรรมฐานปกติพระกรรมฐานเนนกรรมฐานเป็นพากรรมกรพึ่งตัวเองไม่ใช่พระขุนนางทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้ในอย่างนั้นอยู่สงบสงัดสะดวกสบายไม่ได่มามัวยุง่งมวัวเจียวกับคนอื่น ไปที่ไหนอยู่ที่ใดก็หาความสงบกายสงบใจย่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกสมัยพุทธกาลท่านฝึกตัวเองศึกษากรรมบังคับบัญชาฝึกอบรมกายใจของตัวท่านไปอยู่องค์หนึ่งองค์เดียวในป่าหรือไปอยู่กับพักพวกเพื่อนฝูงกด็ดีจะต้องช่วยตัวเองได้ ขวัดปฏิบัติน้อยใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างสนใจตลอดถึงการตัดการเย็บการซักการย้อมผ้าสบงชีวรต้องเป็นเพราะหน้าที่ของพระของเนไม่มีสมบัติพัสถานอันอื่นที่จะไปซื้อไปหาไปจ้างเข้ามาทำให้ตลอดถึง บุตรภรรยาไม่มีจึงจําเป็นต้องพึ่งตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องฝึกหัดอบรมตัวสนใจในข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวของตัวเมื่อเติบโตเป็นครูเป็นอาจารย์ก็จะมีการทำให้เขาดูสอนเขาได้พอเราทาเป็น้อเราทำไม่เป็นทำไม่ได้ ไปสอนเขาก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรไปสอนแต่นั้นจนึงควรสนใจในข้อวัดต่างๆซึ่งเป็นทางที่ใช้ในาศาสน า, เ ป, นน า, สานเป็นต้นหน่อยเย็บผ้าหรือซักยอมพิวนเป็นต้นตลอดถึงข้อวัดส่วนอื่นการปัดกวาดหรือตักน้ำตัดท่าถแต่เราไปพึงพาอาศัย แต่คนอื่นคนอื่นก็อาจจะหนักใจเพราะเหตุใดเพราะเราก็มีกําลังเรี่ยวแรงที่จะทำได้แต่เราไม่ทำอาศัยแต่คนอื่นเขาช่วยเขาทำให้การใชกร้กันอยู่การกินการหลับการนอนเราเองก็ใชก้ก็กิน ก, ก็ดื่มเหมือนกันกับคนอื่นเขามาเป็นเช่นนั้นนี่แต่หน้าที่ใช้หน้าที่กิน ตัวเองไม่ทำมันก็จะต้องหนัก อ, อกของคนอื่นถ้าไปอยู่ส่วนตัวเรแเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้หลังจะไปเล็กสงบสบายมันก็ลำบากถ้าผ่อนสบายบางทีก็อดอยากไปอยู่ตามป่าตามเขาถ่ายชอตที่เล็กสงบสบายเมื่อเกิดขาดเกิดไฟไหม้หรือเสียหายอะไรนิดห น, น, น่อ ย, อยมาจะปะเองก็ไม่เป็นหรือมันขาด ยู่ไปอย่างนี้มีผ้าใหม่เขามาบางสักคุณให้ปัถาวาวให้ก็ไม่ทราบจะตัดอย่างไรไปหาคารวะอย่ า, าโยมเขาเขาก็ไม่ใช่หน้าที่เพราะไม่ใส่เสื้อผ้าที่เขาเคยนุ่งเคยหม่มเราไม่เคยตัดไม่เคยกัดฉะนั้นเราเป็นพระเป็นเนจรจึงสนใจศึกษาเมื่อจำเป็นมาจะต้องพึ่งตัวเองศึกษาเอาไว้ นี่เป็นเรื่องข้อวัดทุกสิ่งทุกอย่างเจะต้องสนใจจะต้องกระทำไม่ใช่ จ, จะพึ่งคนอื่นเรื่อยไปเมื่อหมดที่พึ่งเราก็จะต้องตายเพราะไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเหมือนกันกันกบกาฝากอาศัยต้นไม้ต้อนอื่นเขาดูดอาหารมาให้ตัวเองก็เกาะอาศัยกินกับเขาเมื่อเขาตายกาฝากก็อยู่ไม่ได้ก็จะต้องตายไปด้วย ทางศาสนาท่านมีในสอนแบบนั้นท่านสอนให้พึ่งตั ว, ต ว, ตวเองอัตตเหตนนอัตโนนาโทรเราทุกคนที่บวชมาเป็นพระกรรมฐานเป็นพระกรรมกรจึงควรสนใจแน่สอนตัวแล้วศึกษาฝึกปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อความสบายของตัวเองเมื่อจำเป็นมาจะต้องอาศัยตัวของตัวได้ และเมื่อมีจิตของสงฆ์เกิดขึ้นก็จะช่วยการทําได้คนนั้นเย็บคนนี้ตัดคนนั้นซักคนนี้ยยอมเพราะการอยู่ร่วมกันมันก็มีการช่วยเหลือเกื้อหนุนกันเป็นธรรมดาถึงแม้ว่าจะมาจากต่างตระกูลต่างจังหวัดต่างประเทศมาอยู่ร่วมกันก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน ุทุกอะไรจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ ก, กันในฐานะที่อยู่ร่วมกันในเมืออเฉยมีจิตสงเกิดขึ้นจะต้องช่วยกันทําตามฐานะหน้าที่ถ้าหากไปช่วยใครไม่ดูแลอะไรแบบนั้นมันเป็นพระเนรกาฝากคอยแต่จะเกาะอาศัยครูอาจารย์หรือพระผัวผื่นฝูงกินไปเท่านั้น มันเป็นทางผิดทางชั่วทางเสียของตัวเองมาเติบใหญ่มาก็จะไม่มีวิชาที่จะแนะนคนอื่นจิตญาณุสิตมาฝึงพาอาศัยอยากจะได้ความรู้ความฉลาดด้านไหนก็ฝึกสอนให้ ไ, ได้เพราะเราไม่เคยฝึกตัวของเรามามันเป็นทางจําเป็นที่เป็นพลาเป็นเนรจะต้องศึกษาเป็นพลาเป็นเนรจะต้องฝึกอบรมตัวของตัว เพราะการมาบวชจะต้องมาละทิฏฐิมานะมาละกิเลสตัณหาสิ่งใดที่ไม่ดีไม่ควรพูดไม่ควรทำไม่ควรคิดเพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นพิษจะตัวของตัวเองตัวเองจะต้องตำหนิตัวเองในความชั่วต่างๆที่ทำพูดคิดไปนอกจากนั้นก็จะหนักอกหนักใจเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกนี่คือคน เป็นภัยสังคมคนเป็นภัยแก่โลกดูในโลกหนักโลกสมัยปัจจุบันเขาบ่าคนหนักแผ่นดินเพราะไม่ช่วยเหลืออะไรให้สังคมให้ประเทศชาติให้ตัวเองได้รับความดีมีสุขมีแต่เบียดเบียนคนอื่นแอบอิงพิ่งอาศัยคนอื่นเป็นทางผิด เรื่องจิตของทุกคนมันเคยโง่เคยมักง่ายเคยเจียดค้านเคยเห็นแจ่ตัวทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่การมาอบรมมาฝึกตัวในทางพระทางเนรเป็นเพศยที่ละเอียดเป็นเพียรที่สงบเป็นเพศยรที่น่าดูเป็นตัวอย่างของโลก เดือดร้อนวุ่นวายทางกายทางใจเขามันได้วิ่งไปที่อื่นวิ่งเข้ามาพึ่งวัดพึ่งพระถ้าพระหาความสงบไปได้พระวุ่นวายพระเดือดร้อนพระไม่มีคุณธรรมคือความดีอะไรในตัวแล้วเขาก็ไม่มีจีเกาะที่อาศัยที่พึ่งทั้งๆ ท, งที่พระเนน มีหน้าที่แนะสอนมีหน้าที่ทําตัวอย่างให้เขาเห็นแต่ปวดทาตัวอย่างไม่เป็นแนะสอนไม่เป็นก็ขาดทุนในการบํารุงรักษาเขาผ้าผ่านอนจนสบายเขาหามาให้โดยไม่คิดมูลค่าราคาอะไรข้าวปลาอาหารที่เขาหามาให้เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาขาจ่างรางวัลจากขาจ่างเม น, นอะไรที่อยู่ที่อาศัยก็สร้างให้อยู่ให้อาศัย ทุกสิ่งทุกอย่างเขาช่วยเหลือสนับสนุนผูกพันพฤติบัติเพื่อจะมีอาจมีทมในใจมาแนะสอนเขาเป็นที่พึ่งของเขาเมื่อเวลาเดือดร้อนวุ่นวายมาจะได้มาปรึกษามาพึ่งพาอาศัยแต่เมื่อบวชมาเป็นพ้าเป็นเลนไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นมันก็เสียข่าวสุกปลาตายของเขาเป็น นั่นเหยียบย่ําทําลายตัวเองและครูอาจารย์ตลอดทึงศาสนาจึงควรที่นี้ที่เจริญควรศึกษาควรใส่ใจในตัวของตัวจึงใดที่จะเป็น่ายชั่วฝ่ายเสียต่างๆที่เราเคยประพฤติปฏิบัติมาในระยะที่เราเป็นคารว่าเราจะต้องละเราจะต้องถอนจะต้องบังคับบัญชาปกติกจิตใจของทุกคน ที่ยังมีกิเลสตัณหายอมว่าวุ่นไปตามอารมณ์สัญญาที่ชอบที่ยินดีต่างๆซึ่งทางโลกเขาเคยนิยมชมชอบแล้วก็อยู่กับโลกมาเป็นระยะเวลานานพอมาบวชความคิดความปรุงมันจึงฝุ่งไปในเรื่องต่างๆที่เคยทำเคยพูดเคยคิดเมื่อมาบวชในศาสนา คำสอนของศาสนากับคำสอนของโลกมันผิดกันคำสอนของศาสนาเป็นเรื่องทวนกระแสการทำการผูดการคิดของโลกทางโลกไหลไปในสิ่งที่ชอบที่ติที่คิดที่คล้องต่างๆแต่ทางศาสนาจะปล่อยให้มันคิดไปอย่างนั้นมันเป็นอกักขุนวิตก ทำตัวข้องตัวให้เสาร์หมองเป็นทางผิดจะอยู่ในศาสนาได้ระยะยืดยาวจนกระทั่งวันตายมรรคผลธรรมวิเศษจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะปล่อยใจไหลลอยไปตามเรื่องของอารมณ์สัญญาฝ่ายต่ำฉะนั้นท่านจึงหักห้ามแนะสอนมาให้คิดคิดไปมากๆ ก็จะเกิดการพูดการทำในทางชั่วทางเสีย่านจึงสอนให้ระวังจิตด้วยสติของตัวอย่าไปคิดอย่าไปปรุงทางชั่วทางเสียต่างๆเมื่อจิตไปก็ให้ระลึกนึกขึ้นว่าระยะนี้เรามาฝึกคุณงามความดีมาประพฤติปฏิบัติอัดทำ เราเป็นสมณะเป็นผู้สงบกายวาจาใจในทางชั่วทางเสียเมื่อมีสมณะสัญญารักษาตัวอยู่อย่างนั้นการคิดการทำการพูดในทางชั่วทางเสียต่างๆกจ็จะสงบจะละงับไม่มีโอกาสจะคิดสิ่งที่ควรคิดสิ่งที่ควร พูดสิ่งที่ควรทําพระพุธทธเจ้ากวรแนะนําสั่งสอนสําหรับนักบวชหน้าที่ของนักบวชควรคิดควรพูดควรทําอย่างไรผู้ที่ศึกษาหลักธรรมะก็ทราบได้แต่ผู้ไม่ศึกษาก็จะตรงควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจไม่ต้องไปศึกษาตามตำลับตำราศึกษาจากการคิดการพูด การทำของตัวกอรู้สิ่งใดคิดพูดทาไปสิ่งนั้นทำจิตใจของตัวให้ขุนมัวเศร้าหมองเดือดร้อนเป็นทุกข์สิ่งนั้นท่านห้ามไม่คิดให้พูดให้ทำเราคิดอะไรจิตใจของเราจึงเดือดร้อนว่าวุ่นขุนมัวไม่สงบไม่เป็นสุขเราจะต้องขนคิดพิจารณา เมื่อเห็นสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นก็ควรละไม่คิดไม่พูดไม่ทำเมื่อไม่คิดไม่พูดไม่ทำอย่างนั้นคิดอย่างไรทำพูดอย่างไรทำอย่างไรใจจึงจะสงบใจจึงจะสบายใจจึงจะเป็นสุขใจจึงจะละถอนกิเลสพระพุทธเจ้าอสอนการคิดให้คิดเรื่องธรรมะเพื่อจะถอดถอน จิตใจสี่ของจิตต่างๆให้รู้เหตุผลในตนของตนธรรมะที่ท่านแนะนให้คิดก็มีอยู่ในตัวของเราเป็นต้นว่ากรรมฐานหา้ามูลและกรรมฐานอุปชาอาจารย์แนะนก็เป็นสิ่งที่ควรคิดนอกจากนั้นเรื่องสติปัฏฐานทั้งสี่ อริยสัจ ท, ทั้งสี่นี่เป็นทางนึกคิดของจิตผู้กว่พื่ิปฏิบัติผู้ที่เนึกคิดในอัรทำอย่างนี้มีทางที่จะสงบมีทางที่จะละถอนมีทางที่จะปล่อยวางเรื่องต่างๆที่ข้องจิตในจิตในใจเพราะจิตเคยข้องจิตในสิ่งหน น, นั้น เมื่อเรามีสติมากำหนดตัวของตัวจะพินิพิจารณากรรมฐานทั้งห้าก็เป็นทางที่จะกำจัดราคะปัญหาคือความกำหนัดความอยากของใจกำจัดอย่างไรชำระอย่างไรขอเพาะสิ่งทั้งห้าที่อุปชาอาจารย์ บอกสอนมีอยู่ในตัวของเราและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ปฏิกูลเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษที่เราจะลุ่มหลงเสื่อเทินกำหนักรักไข้มั ว, มวเมาเฝ่าฝันไปสิ่งเหล่านี้ปกติเป็นของสกะปก แนเแต่จของสดสวยงดงามอะไรหากแยกแยะออกแต่ละสิ่งแต่ละส่วนผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีถลกเอาดูเอากรองไว้ชอบไหมกรองผมกรองขนกรองเล็บกรองฟันผมของคนเล็บของคนขนของคนหนังของคนฟันของคนซึ่งไม่มีคุณธรรม อะไรจะหาไปขายที่ไหนขายไม่ออกเขาลังเกียจเขาไม่ชอบเขาไม่ยินดีถ้าเป็นหนังหมูหนังปลาหนังวัวห น, นังควายพอขายได้เขาจะไปทำหนังเข็มหรือทำอะไรต่างๆทำเป็นอาหารก็ได้ทำเป็นเครื่องใช้ต่างๆก็ดี แต่นักคนไม่มีใครนิยมชมชอบอย่างนั้นยังขายไม่ออกเนื้อ ก, กระดูกก็เหมือนกันสันนั้นต้องพิพจิารณาหาทางสอนตัวเมื่อสอนตัวให้อยู่ในขอบเขตของธรรมจิตใจพิจารณาอยู่แต่สิ่งที่เป็นจริงอย่างนั้นความหลงผิดคิดปรุงไปในทางการมติหาก็จะละจะถอนจะน้อยลงไปเพราะที่หลงก็หลงสิ่งเหล่านี้ มันก็มีอยู่ในตัวของเราไม่ใช่ว่ามันไม่มีอสิ่งเหล่านี้แล้วจะไปลุ่มหลงกับคนอื่นอีกทำไมอยู่ในตัวของเราได้รับทุกได้รับความลาบากอย่างไรเมื่อมีทุกในตัวของเราเป็นกองทุกใหญ่แล้วยังจะไปหาทุกอื่นมาเพิ่มขึ้นมันจะมีประโยชน์หรือจะต้องมีปัญญาเข้าใจในเรื่อง ต่างๆเหล่านี้แล้วละถอนเพราะตัวของตัวมันก็มีอยู่ให้ทุกแก่ตัวของตัวอยู่และสิ่งที่เราอยากได้เราหมู่งหวังเรายึดถือก็เป็นกองทุกข์อันเดียวกันเหมือนไฟแต่กองเดียวมันก็เผาก็ไหม้ก็ร้อนเต็มที่อยู่แล้วยังจะสองกองสามกองไปความร้อนมันจะมาขนาดไหนใจจะต้องเห็น เกิดความไม่ยินดีไม่เพิดเพินในกองทุกขว่าเป็นสุขนี่ทางพินิจพิจารณาอริยสัตว์ก้อนของกายทั่วไปเกิดมาท่านกาว่าชาตาิเป็นทุกข์าเป็นทุกอยู่แล้วทุกข์ขัตริต์จึงควรประพฤตปฏิบัติควรกำหนดให้รู้ ไม่ใช่เราเกิดมาสุขสนุกสนานไม่ใช่เราเกิดมาดีวิเศษความเกิดของเรานี่แหละต้นต่อของทุกข์พอเกิดมาความอยากอันนั้นต้องการอันนี้มันก็มีตามมาเพราะมีธาตุมีขันแล้วธาตุขันอันนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะคงที่ตลอดไป ถึงจะบำรงรักษาขนาดไหนมันก็ต้องแปลปวนไปตามสภาพะของมันเรื่องของถายขันมันเป็นอย่างนั้นจะเอาหยกยาดีวิเศษขนาดไหนมารักษาไม่ให้มันแจะไม่ให้มันตายมันไม่มีเมื่อเป็นเช่นมนี้ความแจะความตายมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็ ต, อ, ตอบได้ว่ามันเป็นทุกข์มมีร่างกายหรอโรคไข้ไข้เจ็บ นานาชนิดจะต้องเกิดขึ้นเพราะโรคมันอาศัยกายเป็นที่เกิดที่อาศัยเหมือนกันกับพืชพันธ์ต่างๆจะต้องอาศัยแผ่นดินเป็นที่เกิดถ้าไม่มีแผ่นดินต้นไม้ภูเขาถาวันต่างๆมันคงอยู่ไม่ได้เพราะมนมีที่อาศัยฉันใดกายของเราก็เป็นที่เกิดของโรคใครต่างๆหายโรคนี้มีโรคใหม่เกิด เราเคยเห็นเคยเป็นแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้นับไม่ได้ความไม่สบายโรคภัยต่างๆแต่นั้นจึงควรกําหนดพินิจพิจารณาให้เห็นว่าชาติปีทุกขาความเกิดนี่เป็นทุกข์จริงความหิวความกระหายความเหนดเหนื่อยต่างๆมันมีอยู่จากความเกิดทั้งนั้น ถ้าไม่มีความเกิดแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นตามมามีการพิจะะารณาเรื่องของทุกข์ให้เข้าใจทุกส่วนนี้เป็นทุกข์ที่มีอยู่ตลอดวันเกิดจนกระทั่งวันตายเรียกมิจฉุกคือทุกข์ประจําถึงจิตจะดีวิเศษขนาดไหนทุกอันนี้ก็ยังมีอยู่ทุกโวยการหนาวการร้อนการ กินการถ่ายการหลับการนอนนี่เป็นนิดเจ็ทุกทุกอยู่เป็นนิดเยียบทที่เปลี่ยนก็เป็นยาที่จะแก้ทุกนอนมากทุกลุกขึ้นไปเดินนั่งมากทุกก็ลุกขึ้นไปเดิ น, น, า ห, า น, ดนหรือหลับนอนไปเสียมันเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นเหตุไดจึงเปลี่ยนอย่างนั้นเพราะมันไม่มันเผาอยู่ตลอดวันถ้าปล่อยเอาไว้ ในอิริยบดเดียวไม่ได้อายุของพวกเราจะต้องตายไปไม่ยืนยาเามาขนาดนี้เพียงแต่นั่งไม่จีหน้าที่ไม่จีชั่วโมงไม่จีวันมันก็แสดงขึ้นความทุกข์มันเจ็บมันปวดมันเหน็ดมันเหนื่อยเดินก็เหมือนกันเดินตลอดวันตลอดคืนไม่มีการนั่งกันนอนมันก็เหนื่อยแสดงว่าทุกข์ประจำขัน มันมีอยู่อย่างนั้นมันแก้ไขไม่ได้ถ้าขันยังมีทุกข์ที่พระพุทธทเจ้าทรงแน้นสอนในสัมระคือทุกทางใจเมื่อเข้าใจตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงมันมีอยู่อย่างไรมันเป็นไปอย่างไรก็เป็นหน้าขี้ของมันเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็ไม่มีทางที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรมันเพราะทุกมันเป็นทุกสัมระไม่ได้ ทุกส่วนของกายแต่ทุกส่วนของใจมันเป็นอีกแง่หนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่แก้ไขได้อะไรเป็นทุกข์ของใจโศกะความโศกปรีเทวะความแห่งใจทุกขะโทมนะัสอุปายาตต่างๆนี่เป็นทุกทางใจความโศกเศร้าเสียใจที่ไรลำพัน์ความอยาก เดี่ยวร่นกวนกวต่างๆทางใจเมื่อพิจารณาโดยหลักของอัตธรรมจริงจังแล้วสิ่งเหล่านั้นจะชำระสะสารจา ก, กจิตจากใจของตัวให้สะอาดให้หมดจดทั้งทางที่มีใจมีกายอยู่ทางใจท่านไม่ทุกไม่โศกเศร้าไม่เสียใจเพราะความรู้ความเห็นของท่านถึงความจริง ด้วยการพิจิตรเจริญนะสิ่งต่างๆให้เข้าใจถั่วถึงเห็นเป็นจริงในสภาพเนี่ยนั้นความอยากข้าวปลาอาหารอยากหลับอยากนอนนี่เป็นเรื่องธาตุขันที่มีอยู่จำเป็นทั้งผู้ที่มีจิตฝึกอบรมดีแล้วและคนปุถุชนธรรมดาแต่ความอยากที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็คกวร ให้จิตใจวุ่นวายต่างๆนานามันเป็นไปไมนได้เพราะถ่านําระาสารสาังพินิพิจารณาตามเป็นจริงของมันเข้าใจรู้เห็นตามเป็นจริงในจริ ง, น, งนั้นความเศร้าโศกเสียใจของถ่านจึงไม่มีอยู่ในโลกอยู่ในรูปอยู่ในกายแต่ไม่ติดในรูปในกายในหญิงในชายในส ม, มุิ เพาะฉนพี่เจนะสะภาวะเหล่านี้จะพูดถึงว่ากายก็เป็นสมมติอันหนึ่งก่อนอันหนึ่งซึ่งประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่ผสมคุกเข่ากันตั้งขึ้นเหมือนตอมน้ําแล้วก็จะต้องแตกสลายลงไปเหมือนน้ําเหมือนตอมน้ําอีกเหมือนกันคือน้ํามันตั้งขึ้นจากน้ําตอมน้ําแล้วก็แตกสลายลงไปเป็นน้ํา ถาดทั้งสี่เมื่อมันต่างชินมาสมมติว่าหญิงว่าชายว่าคนว่าสัตว์แต่ไม่นานมันควยจะต้องแตกสลายลงไปตามถาดเดิมของมันในวันใดวันหนึ่งท่านเลยถือจิงที่โลกทั่วไปว่ากายเพียงแต่สมมติตามเขาเท่านั้นความจริงในจิต ไปจากชัดเจนมาสิ่งเหล่านี้เป็นสมมติหน้าที่ข้องมันเป็นอย่างไรมันจะต้องเป็นไปตามหน้าที่ข้องมันแล้วความกำนังยินดีเพิดเพลินรุ่มหลงในเมื่อมันอยู่หรือในเมื่อมันแตกสลายมันก็ไม่มีอะไรในใจเพราะเข้าใจตามเป็นจริงเป็นการปล่อยการละการถอนการวางจริงต่างๆได้ โดยการปฏิบัติไม่ใช่เพียงแต่รู้ทั้งรู้ทั้งเห็นรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงจรงๆ จ, งจงแล้เราจะไปคัดข้านจะไปทาอะไรให้มันมันมีทางสงสยัยเมื่อเข้าใจอย่างนั้นผู้ไปรู้ไปเห็นคือใครที่ไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นท่านก็เข้าใจอีกสิ่งนั้นแปรฝวนเปลี่ยน แปลงไปตามสภาวะขาดฉันหรือไม่ความรู้ส่วนนั้นเมื่อถึงความรู้อันจริงจังรู้เห็นจริงจังแล้วมันไม่มีแปรปวนเปลี่ยนแปลงอะไรสิ่งเหล่านั้นเมื่อถาดฉันหมดไปก็หมดพาระรับผิดชอบจะไปก่อโกยพบชาติอีกไหมก็เข้าใจเพราะการปฏิบัติของตัว การปฏิบัติอาธรรมไม่มีใครจะโชคดียิ่งกว่านักปฏิบัตินักบวชเพราะไป ม, มีธุระหน้าที่อันอื่นยุ่งเหยิงวุ่นวายนักบวชมีความสุขความสบายเพราะกาันทีนี้พิเจอนะเพราความเห็นชอบถ้าเห็นผิดจิตปลุงไปในทางชั่วนอกเหนือไปจากธรรมแล้วนักบวชเป็นทุกข์ เป็นร้อนไม่มีความสุขความสบายให้ตามีก็ไม่ได้ดูหูมีก็ไม่ได้ฟังสิ่งที่มันอยากมันชอบสิ่งที่โลภเขานิยมว่าดีอย่างนั้นวาดีอย่างได้ยินได้ฟังพอสิ่งผิดใจไม่ต้องการใจไม่ชอบพอจึงเป็นทุกข์นี่คือคนไม่มีอัตมีธรรม ในตัวของตัวเป็นทุกข์มากเขาอยู่ในตารางในคุกเขาก็ยังมีการสนุกสนานเต้นรำก็ได้ร้องเพลงก็ได้เป็นพระเป็นเนนในาศาสนาไปทําเช่นนั้นไม่ได้อยากกินอะไรคือมากินได้ทํากินได้นี่คือพวกนักโทษในตารางแต่พระเนนไม่ได้การกินก็มีกําหนดขอบเขต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 มีจิตสบายไม่วุ่นวายทั้งท้างนอกข้างในมีใจสงบจากกิเลสตัณหาหน้าบูชาหน้ากราบ ว, ว่าแล้วก็มีคุณค่าสูง